จัตตารีสกะว่าด้วยกรณีตัวอย่าง40กรณีภิกษุอยู่ปริวาสศึกสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งกำลังอยู่ปริวาสศึกไปภิกษุนั้นกลับมาขออุปสมบทกับภิกษุทั้งหลายอีก